ตอนที่หนึ่งรอยากรู้ความคิดของหลีหวานไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็เป็นพ่อแม่แท้ๆของเด็กท่านจะให้พวกเราแยกกับลูกต่อไปไม่ได้หรอกนะไม่คิดว่ามันใจดําเกินไปหน่อยหรือใจดําเหอะเหะพวกเจ้าพูดจาได้น่าขันสิ้นดีวันนั้นถ้าไม่ใช่เพื่อช่วยเศร้าเหินลูกชายกับลูกสะใภ้ของข้าจะตายได้อย่างไรข้ารู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับเด็กแต่บ้านข้าต้องสังเว่ไปถึงสองชีวิตแล้วเรื่องอะไรข้าต้องคืนเด็กคนนี้ให้พวกเจ้าเปล่าเปล่าเจ้าชุนฮวาตําหนิด้วยสายตาเย็นชา ผู้เท่าเจิ้งนั่งอยู่ข้างกายเจ้าชุนหาัวาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่หญิงชราเพิ่งพูดไปแน่นอนว่าไม่ใช่การคืนให้เปล่าเปล่าค่าเลี้ยงดูเด็กตลอดหลายปีที่ผ่านมารวมถึงค่าเหนื่อยของพวกท่านทั้งสองพวกเราจะมอบจํานวนที่พวกท่านพอใจให้แน่นอนย้นเฟยส่งสั ญ, ญญาณทางสายตาให้ภรรยายอย่าเพิ่งรีบร้อนจุดประสงค์หลักที่พวกเขามาครั้งนี้คือเพื่อเจรจา หากตกลงกันได้ย่อมดีที่สุดแต่ถ้าตกลงไม่ได้ก็คงต้องค่อยๆสร้างความสัมพันธ์กับเด็กอีกอย่างเด็กก็โตขนาดนี้แล้วมีความคิดเป็นของตัวเองการที่เขาจะไปกับพวกเขาหรือไม่นั้นส่วนสําคัญอยู่ที่ตัวเด็กไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้เท่าทั้งสองมากนะักเงินหรือเจ้าคิดว่าบ้านข้าดูเหมือนคนขาดแคลนเงินทองหรืออย่างไรผู้เทาเจิงปลายตาคมกริดมองเขามีเงินเหม็นๆ น, น, นิดหน่อยก็ทําเป็นดูถูกคนอื่นเสียแล้วท่านผู้เทาเจิงข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นนี่คือความจริงใจของพวกเราสามีภรรยา พอแล้วข้าไม่อยากฟังพวกเจ้าพูดจาไร้าสาระอยู่ที่นี่พวกเจ้าเสียเวลามามากพอแล้วเด็กคนนี้พวกเจ้าก็ได้เห็นแล้วไม่มีธุระอะไรก็ไปเสียเถอะผู้เทาเจิง้งโบกมือเล่แขกพูดต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรข้าพ่อเถอะพวกเรากลับกันก่อนครั้งนี้พวกเรามาปุบ ป, ปบเกินไปผู้เท่าทั้งสองคงยังไม่ได้เตรียมใจ ย, ยวนเฟยเอ่ยขัดสิ่งที่ภรรยาจะพูดจากนั้นก็ลุกขึ้นเตรียมตัวจากไป เมื่อพวกเขาเดินออกมาจากเขตทหารหยุนเฟยมองไปข้างหลังแล้วถอนหายใจเมื่อครูเจ้าไม่ควรใจร้อนไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็มาเพื่อเยี่ยมลูกไม่ใช่มาแย่งลูกพวกเราพลาดจากลูกมาสิบกว่าปีกว่าจะได้เจอลูกใจข้าจะไม่ร้อนได้อย่างไรสวีอวีเสียเถียงกลับถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องเฮงซวยในตระกูลพวกเจ้าพวกเราต้องพลาดจากกันแม่ลูกนานขนาดนี้หรือทั้งหมดเป็นพระเจ้าเอาเถอะเถอโทษข้าเองหยุนเฟยยื่นมือไปโอบ ก, กอดนางไว้ในอ้อมแขนแล้วปลอบโยนเบ า, เบา ตอนนี้พวกเราควรจะดีใจที่เด็กถูกพวกเขาเลี้ยงดูมาอย่างดีตลอดหลายปีมานี้เขาไม่ลำบากเลยสวรรค์ยังเมตตาให้พวกเรามีโอกาสกลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้งนี้เป็นเรื่องดีอย่าร้องให้เลยนะข้าแค่ตื้นตันจนน้ำตาไหลหน้าสวีอวี๋เสียสูดน้ำมูกเครื่องสำอางประณีตบนใบหน้าและเธอไปเล็กน้อยนางนึกถึงหน้าตาของเด็กคนนั้นเมื่อครูช่างเหมือนกับพี่ชายของนางเหลือเกอินหลานชายหน้าเหมือนลุงจริงๆอย่างที่เขาว่ากันไม่มีผิด พวกเราเร่งกลับไปคิดกันเถอะว่าควรทําอย่างไรต่อไปจะใช้วิธีแข็งกล้าวเหมือนวันนี้ไม่ได้อีกแล้วข้ารู้แล้วโรงอาหารที่ใหญ่ท่านจะไปกับคนสองคนนั้นไหมเจ้งเส้าซิงถามด้วยเสียงอุยพระมีอาหารเต็มปากที่รองพงบอกข้าว่าสองคนนั้นเป็นพ่อแม่แท้ๆของท่านท่านจะไปกับพวกเขาใช่ไหมหุบปากข้าไปพูดแบบนั้นตอนไหนเจ้งเส้าหยางส่งเสียงจึอย่างรําคาญใจก่อนจะฟาดมือลงบนหัวเจ้งเส้าซิงอย่างอดไม่ได้น้องชายคนนี้ใช้ไม่ได้จริงๆ โอยเจ้งเศร้าสิงกลมหัวด้วยความเจ็บปวดมองที่รองด้วยสายตาตัดพพอก็มันเรื่องจริงนี่นาะพวกเจ้าสองคนอยากให้ข้าไปกับพวกเขาขนาดนั้นเลยหรือเจ้งเศ้าเหิงหมดอารมณ์กินข้าวเ ข, า, ขาถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบแน่นอนว่าไม่ใช่เจ้งเศร้าสิงรีพูดที่ใหญ่ท่านคือพี่ใหญ่ของข้าข้ายอมไม่อยากให้ท่านไปกับพวกเขาท่านอยู่ที่บ้านน่าดีที่สุดแล้ว ใช่แล้วพี่ใหญ่พวกเราย่อมอยากให้ท่านอยู่ที่บ้านแต่ว่าพวกเขาเป็นพ่อแม่แท้ๆของท่านท่านไม่อยากอยู่กับพ่อแม่แท้ๆของตัวเองบ้างหรือจริงๆแล้วหลังจากนี้พวกเราก็ยังเจอกันได้บ่อยๆนะเจิงเซาหยางพูดอย่างจริงจังเจิงเซาเหินเข้าใจน้องรองไม่ได้หมายความว่าจะไล่เขาตั้งแต่เด็กพวกเขาสามพี่น้องมักถูกคนด่าว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ตอนนี้เขาอุตส่ามีพ่อแม่แล้วในสายตาของเจิงเซาหยางการไปอยู่กับพ่อแม่ย่อมดีที่สุดเทียงแต่ เจ้งเศร้าเหิงนิ่งเงียบไม่พูดจาที่ใหญ่นี้เป็นเรื่องของท่านเองไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรท่านก็ยังเป็นที่ใหญ่ของพวกเราเสมอใช่ลหวานจิบซุกเครื่องในแพ้ไปอึกเล็กน้อยนางรู้อยู่แล้วว่าเจ้งเศร้าเหิงไม่ใช่ลูกแท้แต่ไม่นึกเลยว่าพอสอบเกาข่าวเสร็จพ่อแม่แท้จะตามมาถึงประตูบ้านปีนั้นเขาสรุปแล้วถูกทิ้งหรือว่าพลัดหลงกันแน่ถ้าถูกทิ้งคงเป็นไปไม่ได้อีกฝ่ายดูไม่ใช่คนจน และดูไม่ใช่พวกที่เพิ่งจะรวยด้วยแต่ดูเหมือนจะรวยมาหลายชั่วอายุคนแล้วอีกอย่างเจิ้งเซาเหงิงเป็นผู้ชายจะทิ้งเด็กผู้ชายได้อย่างไรไม่เหมือนกับนางที่มีคุณย่าที่รักหลานชายมากกว่าหลานสาวเสียหวานเจ้าคิดว่าอย่างไรเจิ้งเซาเหิงถามหลีหวานขึ้นมาทันควันหลีหวานสำลักจนไอออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวแคบๆค่คอยๆกินแววตาของเจิ้งเซาเหิงฉายความเอ็นดูเขาเอื้อมมือไปลูบหลังให้นางเบาๆ เป็นอย่างไรบ้างไม่เป็นไรดีขึ้นแล้วลิวันโบกมือนางขมวดคิ้วเล็กน้อยข้ามีความคิดเหมือนกับพวกเขาสองคนนั้นแหละขึ้นอยู่กับว่าตัวท่านเองคิดอย่างไรเจริงเซาเฮิงจ้องมองนางนิ่งเนไม่ได้เอ่ยคําใดหลิวเคอเคอถือว่าอยู่เดือนได้พังพินาศมากตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่าร่างกายผิดปกติอะไรแต่อาการเจ็บป่วยจากการอยู่เดือนไม่ดีคงยังไม่ปรากฏพอนางออกจากเดือนก็รีบร้อนจะไปทํางานหาเงินนางไม่กล้าทิ้งลูกไว้ที่บ้านให้หนิวซูเฟิร์เลี้ยงจริงๆ หลิวเคอเคอทำได้เพียงเจ็ดเงินเดือนส่วนหนึ่งมาจุนเจือบ้านเดิมเพื่อให้แม่ของนางช่วยเลี้ยงลูกให้แม่ของหลิวเคอเคอร์บ่นอุบด้วยความไม่พอใจนี่ฆ่าแต่งลูกสาวออกไปหรือรับลูกสะใภ้เข้าบ้านกันแน่ลูกที่เกิดมาข่า ย, ยังต้องช่วยเลี้ยงให้อีกเจ้าเพิ่งออกจากเดือนไม่ต้องรีบทํางานก็ได้เลี้ยงลูกเองไม่ดีกว่าหรือยังจะเสียเงินเสียทองอีก ท่านแม้ท่าข้ามีทางเลือกอื่นย่อมไม่รบกวนท่านหลอกหนิวซูเฟินคนนั้นไร้กาดเกินไปถ้าข้าฝากลูกไว้กับนางจริ ง, ร ง, รงๆเกรงว่าชีวิตน้อยๆของลูกข้าคงรักษาไว้ไม่ได้หลิวเคอเคอพูดอย่างไม่เกินจริงน้ําเสียงของนางอ่อนลงข้าขอร้องท่านเถอดตอนนี้เว้นแต่ท่านจะช่วยข้าแล้วข้าก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครได้อีกข้าแค่รู้สึกว่าเจ้าหาเรื่องใส่ตัวชีวิตตัวเองลําบากขนาดนี้ทำไมไม่บอกโจเจี้นี่ไปละ่ะเฮาเจ้าแต่งงานไปแล้วชีวิตกลับลําบากกว่าตอนยังไม่แต่งเสียจะแต่งไปเพื่ออะไรกัน ลิวเคอเคิรเถียงไม่ออกนางตาบอดเองจะทำอย่างไรได้ตอนนี้มีลูกสาวแล้วไม่ว่าชีวิตตรงหน้าจะลำบากเพียงใดก็ต้องอดทนต่อไปท่านแม่ข้าจะให้ลูกสาวข้าไม่มีพ่อแท้แท้ไม่ได้ข้าอยากให้ลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์โจลเจียนเย่ต่อให้ทำตัวไม่ดีอย่างไรเขาก็เป็นพ่อแท้แท้ของเด็กคงไม่ทำอะไรลูกสาวข้าหรอกส่วนนิวซูเฟินตอนนี้อายุก็มากแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายข้าจะรอจนนางตายไปเองกว่าแม่สามีเจ้าจะตายเจ้าก็คงแก่แล้วเฮ ห, หาเรื่องใส่ตัวแท้แท้